เป็นไงบ้างกินข้าวรู้สึกตัวไหมหลงตลอดหลงตลอดอันนี้อร่อยอันนี้ชอบใช่ไหมรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงแต่ยังอยากหลงอยู่ต่อไงรู้สึกนะ บางทีความหลงมันมีเสน่ห์นะมันแบบขนาดรู้ว่าหลงก็ยั ง, ยงอยากเคิงไปกับเขาอย่างความหลงเนี่ยบางทีแต่บางทีบางทีก็รู้เนาะบางทีอบางทีก็นี่ยหลงในในรถบ้างหลงในความพอใจบ้างหรือบางทีก็หลงในเรื่องอื่นเลยไม่เกี่ยวกับการกินใช่ไหมอ่ ลองไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนะรู้ตัวก็คือรู้อะ่ะมันใช่แต่ครั้นี้รู้แล้วถ้าบางทีกําลังสติมันไม่พอมันก็ยังเหมือนอเอาสักหน่อยนะกินอีกสักหน่อยนะอะไรนะอิ่มแล้วไม่เป็นอะไรหรอกเออาจุกอีกนิดนึงก็เดี๋ยวก็ไปทําอย่างอื่นแก้เอาอ่ มันจะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนบางทีมันเหมือนมันก็จะหลอกล่อให้เราทำตามอารมณ์นั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาปฏิบัติแก้เอาเดี๋ยวค่อยมาเดินแก้เอาเดี๋ยวค่อยไปกินยาแก้เอาเ <c oughs> นี่ยจะให้รู้ทันเนาะรู้ทันยิ่งถ้าเราแต่บางทีแต่เราถ้าพยายามจะดูแลนะ กายใจเท่าที่ทําได้แล้วแต่บางทีมันก็อาจจะยังมีโรคเป็นนั่นเป็นนี่บ้างมันก็จะรู้สึกว่าเออเราก็พยายามดูแลแ ล, แล้วเนาะแต่ถ้ามันจะเป็นมันก็มันก็รุปิสัยนะหรือว่าก่อนที่เราจะดูแลเราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบประมาทไปหน่อยนะพอมาเริ่มดูแลมันก็อาจจ ะ, ะแก้ได้ไม่ทั้งหมดนะมันก็จะรู้สึกเออ ไม่เป็นไรก็ยอมรับกรรมได้ง่ายกรรมในที่นี้คือผลของกรรมที่เคยทำในอดีตนะหรือว่าอาจจะเป็นกรรมของกรรมพั น, นุ์นะหรือกรรมของคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะจากสารพิษจากอะไรมันก็ไม่ใช่แต่รถเราคนเดียวเนาะมันก็ก็หายใจแบ่งแบ่งกันไปามันก็มีกรรมหลายระดับนะกรรมที่เราทำส่วนตัว ทำกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนนอกข้างหรือกรรมที่สังคมมันอยู่ด้วยกันน ะ, ะก็มีมีกรรมที่ต้องทําต่อกันแต่กรรมฐานเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแม้เราจะต้องเจออะไรนะแต่มันก็ทําให้เราเหมือนพออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้แม้เจอสิ่งกระทบที่มัน ไม่ปรารถนานะหรือเจออากาศที่มันไม่ดีเจอสุขภาพที่มันเสื่อมลงไปเป็นโรคมันนะเราก็ก็จิตใจก็จะอยู่กับสภาวะ น, นั้นได้นะในระดับที่ที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกนะแต่บางทีคนที่ฝึกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะดีกว่าคนที่ไม่ฝึกทั้งหมดนะเพราะบางที การฝึกจริงๆมันไม่ใช่ฝึกเพียงแค่เรามายกมือหรือมาเดินจังกรมจริงๆนะคือการฝึกจริงๆมันวิถีชีวิตของเราเนั่นแหละคือการฝึกทั้งหมดเลยนะวิถีชีวิตการใช้ชีวิตการทำงานนะการอยู่กับตัวเองการอยู่กับคนอื่นมันคือการฝึกทั้งนั้นเลยนะฝึกที่จะนะทำให้เรายอมรับความจริงได้ นี่เนาะก็เป็นเนื้อของการฝึกเราที่จริงให้เป็นวิธีชีวิตจริงๆน่ะหลวงพ่อเทียนนะท่านก็สอนทุกอย่าง <c ười> ไม่แต่การกราบพระนะก็เป็นการฝึกสตินะคือกราบพระส่วนใหญ่เราเรียนก็อันชฉลี่รวทาอภิวาทคือท่าคืออย่างนี้แต่หลวงพ่อเทียนท่านท่านสอนว่า คือท่านไม่ได้เน้นอัญชิีวันทาพิว่านะแต่ท่านเน้นมีสตนะิทุกขณะที่กราบเป็นจังหวะใช่ไหมถือมันเป็นจังหวะหรือแม้ลุกขึ้นยืนลุกลงมานั่งอะไรั้นนะท่านก็ทำให้เราดูเนาะทให้เราดูถ้าใครเคยดูบ้างใน YouTube น่าจะมีนะมีวิดีโอเก่าที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยสอนนักปฏิบัติทำ กาพะลุขึ้นยืนลงมานั่งอะไรต่างๆยืนยกมือสร้างจังหวะนะ่ะนั่งยกมือสร้างจังหวะอะไรต่างๆคือหมายว่าคือหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนคําพูดแต่ท่านทําให้เราดูครั้นี้เราก็ดูแล้วก็ลองทําตามดูทําตามแต่ทีนี้อาจไม่ใช่ว่าไปหาจังหวะให้มันเท่ากับหลวงพ่อเทียนนะ ลองทําว่าเราจะยืนแบบไหนมีสตินั่งแบบไหนมีสติกราบพระแบบไหนมีสติบางทีจังหวะหรือท่าอาจจะไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนนะไม่เหมือนไม่เป็นไรนะแต่ความรู้สึกตัวนะให้มันมีในการทำํำนะเหมือนเหมือนบางคนนะ่ะอาจจะเดินก้าวยาวก้าวสั้นไม่เท่ากันแต่เราจะรู้สึกได้ว่า มันยาวเกินไปมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานเกินไปหรือพยายามจะทาให้มันสั้นเกินไปมันก็ต้องใช้พลังงานเราก็รู้สึกเมืออแบบนี้ยมันไม่เหนื่อยเท่าไรมันก็ยังมีการเหนื่อยอยู่บ้างเพราะมันมีการกระทำเนาะแต่มันจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าไม่ต้องพยายามมากพยายามจะยาวก็เหนื่อยพยายามจะสั้นก็เหนื่อยที่มันเหนื่อยน้อยที่สุดนั่นแหละคือพอดีไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะ เหนื่อยในสือคือพอดียกมือเองก็เหมือนกันนะพยายามจะให้ช้าๆเนี่ยพยายามจะช้าๆก็เหนื่อยนะอันเนี้ยสมมติดออบหนึ่งนะก็อย่างขนาดนี้เที่ยโมงหนึ่งจะเท่าไหร่ใช่ไหมเดินก็เหมือนกันนะเดินพยายามจะชา้าๆมันต้องใช้ความพยายามมากเอาง่ายนะคล้ายๆเหมือนเรา ขี่จักรยานช้าๆนัองมันประคองตัวยากนะใช่ไหมขี่ช้าๆพยายามขี่ช้าๆขี่ช้าๆเนี่ยมันจะมันจะล้มง่ายเลยนะอืมหรือขี่เร็วเกินไปพยายามปั่นเร็วมันก็มันก็เหนื่อยเนะถ้าพักหนึ่งก็หอบนลยะแต่ถ้าปั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยเยอะแหละแต่มันก็ได้ระยะทางที่มันไกลอ่าเนี่ยเราเองก็ ดูครูบาอาจารย์แล้วก็ลองทำตามอย่างจะมาเองให้ยกเป๊ะแบบหลวงพ่อเทียนก็ไม่ไมไม่ได้นะคะือจ sure mm ิตมันอึดอัดขนาดนั้นนะคือหลวงพ่อเทียนท่านเวลาท่านยกท่านประมาณนี้ปะมัน แต่ท่านไม่อึดอัดเนาะออท่านรู้สึกพอดีเคยคุยกับดานหลวงพ่อเทียนที่ที่บ้านบุกโฮมนะที่อําเภอเชียงคานที่เป็นดานหลวงพูเทียนก็ได้เรียนปฏิบัติกับหลวงปูเทียนตั้งแต่ตอนตอนตอนท่านน่าจะเพิ่งเข้าใจธรรมะใหม่ๆแล้วก็ก่อนบวชแล้วก็หลังบวชนะดานหลวงปูเทียนท่านเล่าอชื่อพ่ออุ่นนะ ลานงผู่เทียนตอนนี้ก็น่าจะอยู่อยางมั้งพอได้คุยตักตางสี่ปีที่ผ่านมาก็ <G ül> ท่านเล่าว่าประมาณานงผู่เทียนตอนแรกๆสอนจะค่อนข้างกำหนดให้ทำช้าๆให้มีเจตนาตั้งใจก็มีหลายคนทำตามแล้วก็แล้วก็ได้ผลแต่หลายคนก็เหมือนคล้ายๆ อ, อึดอัดแน่นเกินไป แล้วท่านก็เลยดองแนะให้คนที่อึดอัดแน่เกินไปดองดองทําให้มันสบายขึ้นทําให้สบายขึ้นอาจจะไม่ช้าเหมือนท่านไม่ตั้งใจมากเกินไปเหมือนท่านท่าอเออก็ได้ผลหลวงพ่อเทียนนะพระอุ่นก็เลยบอกว่าตอ น, น, นแรกหลวงหลวงพ่อเทียนก็จะสอนค่อนข้างแบบกําหนดเยอะๆแต่ตอนดังท่านก็เห็นว่าเออไม่กําหนดมากก็ได้ผลเหมือนกันเหมือนประมาณว่า แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกำหนดแล้วแล้วเขาก็ได้ผลอยู่แต่บางคนกำหนดแบบพอดีๆไม่ไม่ต้องมากเกินไปเขาก็ได้ผลนั้นตัวเราเองก็ก็เหมือนกันก็ดูว่าเราทำประมาณไหนแล้วมันได้ผลหรือบางทีก็ดูเป็นจังหวะนะฮะบางจังหวะที่มันฟุ้งซ่านมากนะแล้วก็กำหนดทั้งไหนตั้งใจทั้งไหน คือกำหนดนี่ในที่นี้คือกำหนดในการรู้ตัวนะไม่ใช่กำหนดที่จะไปห้ามความคิดนะอืมไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้เพื่อให้มันไม่คิดไม่ใช่นะกำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวอืมตั้งใจให้มีความรู้ตัวชัดขึ้นนะอันนี้คือกำหนดแบบนี้แต่พอมันอึดอัดเราก็อาจจะทำสบายขึ้นอืมหรือตอนมันเบื่อเบื่อมันง่วงๆวงก็ทำให้มันเด่นๆ่นขึ้นสักหน่อย เล่นๆในการเล่นก็ก็มีความรู้ตัวนะเล่นๆเนี่ยเล่นๆนะก็ทํามันไม่ใช่อยู่ที่ท่าหรอกมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจรู้ตัวหรือเปล่าอยู่ที่ใจมันตึงเครียดเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ที่ใจมันฟุ้งไปแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนาะอันนี้คือก็ให้เราดูนะการยกมือก็ดีการเดินก็ดี การทำอะไรต่างๆก็ดีนะนมีสติรู้กายามีสติรู้ใจมีสติ้ลองทำดูมีใครจะถามอะไรก่อนไหม <c oughs> ถ้าไม่มีก็เนาะหา ที่ปฏิบัติเนาะลองทําให้มันต่อไปเรื่อยเนาะต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งนมีจังหวะในรูปแบบที่เป็นการรู้เป็นครั้งเป็นขณะแต่บางทีมันก็จะมีการรู้นอกรูปแบบที่มันแทรกเข้ามาในการรู้ขณะแต่ละครั้งนั้นก็ได้นะไม่ผิดนะ แต่อย่าไปพยายามที่จะรู้หลายๆอย่างพร้อมกันเช่นจะเอาแบบให้ใครจะดูแบบจะดูทั้งกายทั้งใจพร้อมๆกันแบบเนี้ยไม่ได้นะนะอืมเราดูกายไปแล้วพอใจมันคิดแว๊กขึ้นมามันจะเห็นของมันเองเลยนะคือไม่ต้องพยายามแบบจะจ้องดูทั้งกายทั้งใจมันเหมือนจะปลาสองมือฮะ กับฝาสองมือหรือแม้แต่การดูกายส่วนอื่นหรือบริกรรมอย่างอื่นก็เหมือนกันมันเหมือนเราต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันแต่การทำอย่างเดียวเนี่ยมันจะมันจะชัดกว่าแล้วก็มันมันจะเห็นความหลงได้ได้ชัดกว่าบางทีเราทำสองอย่างเพราะว่าไม่อยากให้มันหลงไปกำหนดเยอะๆนะมันก็จะรู้การกาหนดนะ แต่อาจจะไม่รู้ตัวรู้คำบริกรรมนะแต่ไม่รู้ตัวนะลองทำดูนะแล้วก็อย่าห้ามความคิดนะนะแค่แค่รู้ว่ามันคิดนะนะสร้างสติไปเรื่อยๆเนาะข้างบนก็ได้นะใครจะไปเดินข้างบนก็ได้นั่งข้างบนก็ได้ ภาคบ่ายก็ปฏิบัติกันพอสมควรแต่ฟังอยู่ก็ปฏิบัติได้นะรู้สึกนะรู้สึกในการฟังเนาะนะเสียงกระทบหูนะเรารู้สึกถึงความหมายเรารู้สึกถึงใจของเราขณนะที่ฟังด้วยก็ได้นะคือรู้ตัวว่านั่ง ฟังอย่ตรงนี้นะรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นข้างในเกิดความสงใจเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจอะไรนะนะ่ะคือเรานี่คือปฏิบัตินะไม่ไม่ใช่แปลว่านั่งยกมือตลอดเวลา <c oughs> จะนั่งก็ได้นะจะนั่งยกมือตลอดเวลาก็ได้แต่ก็ให้รู้ตัวนะหรือถ้าไม่นั่งยกมือเราก็ดูดรู้ตัวว่านั่ง รู้สึกถึงจิตใจว่ามันเกิดความรู้สึกอย่างไรแนเนี่ยก็คือปฏิบัติหนึ่งกันนะหรือจะ น, นั่งฟังแล้วก็เมื่อใดรู้สึกว่ามันอยากจะกระตุ้นความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะขยับตัวหมุนตัวหมุนนิ้วอะไรไมบนะักนก็ก็ก็คือเป็นการปรับได้ นี่ก็คือฟังไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยเนาะ ม, มีใครอยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรไหมเชิญยนถาม้ า, าการใ้เวลาเดินแล้วเกิดมีความที่เกิดขึ้นมานี่าก็แค่รู้มันใ ช, ใช่อืมคือมันเหมือนให้โยมฝึกแยกเลยนะคือ ร่างกายมันเดินก็ก็ตัวหนึ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เดินก็อันหนึง่งรู้สึกไหมว่ากายที่เดินน่ะมันก็อันหนึง่งความคิดมันก็อันหนึง่งจิตใจที่รู้อะ่ะมันคือกายไหมใจที่รู้อะ่ะมันกายปะมันอยู่ในกายไหมไม่ใช่นะ ใจที่รู้มันคือความคิดไหมก็ไม่ใช่นะอืมนะ่าลองสังเกตดูดูสภาวะขนาดที่เดินแล้วแล้วมันคิดเนาะเรารู้ว่ากายมันเดินเรารู้ว่าใจมันคิดใช่ไหมมันจะแยกกันกายก็อันหนึง่งความคิดก็อันหนึง่งไอที่รู้มันก็อันนึง พอเราพอเราสังเกตเห็นแบบนี้จิตมันจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่เราอะมันก็คือเป็นอาการของกายบ้างอาการของจิตบ้างตัวรู้นี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันพอเกิดสภาวะที่รู้แล้วมันก็เออมันก็ความคิดมันก็เป็นแค่ขนะหนึ่งนั้นวิธีแบบเจตสติแบบที่สลวงพ่อเทียนท่านเน้นที่ทำนีน่คือไม่ ไม่ต้องห้ามความคิดเพียงแค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็ถ้าเราสติเรามากพอมันจะเห็นแล้วก็แยกนะถ้ความคิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตจริงๆไมันเป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึง่งแล้วก็มันเกิดมันดับบังคับก็ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรนะง่ายที่สุดเลยนะกับความคิดไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่รู้ทันตอนที่จิตมันหงไปกับความคิด บางทีความคิดบางอย่างมันก็อาจจะรู้แล้วก็ดับเลยแต่ความคิดบางอย่างมันก็จะเรียกว่าอะไรมันเข้าทางเข้าทางเราอะบางทีเรื่องที่ชอบบ้างเรื่องที่ไม่ชอบบ้างมันจะทำให้เราไปปรุงกับมันยาวเนาะรู้ทันตอนที่จิตมันจะไปปรุงกับมันนั่นแหละมันอยากไปปรุงกับความคิดนี้คิดแล้วมันสนุกคิดแล้วมันเพลินคิดแล้วมัน ชอบใจเลยนะมันจะทำให้เราไปคิดกับมันนานหรือบางเรื่องถ้าดูดีๆนะแม้แต่ความสงสัยก็คล้ายๆกันมันคิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะคนชอบคิดอ ะ, อะรเรื่องที่สงสัยจะยิ่งชอบคิดอะคิดหาคาตอบคิดหรือบางคนชอบคิดละเอียดก็จะคิดหาแง่มุมที่มันละเอียดในความคิดในอารมณ์นั้นๆซึ่ง มันล่อให้เราไปติดกับดักนะถ้าความคิดจริ ง, รงครๆคล้ายๆเหมือนเราเหมือนคนตกเบ็ดเดียวมันมีมีเบ็ดแล้วก็มีเหยื่อที่ซ่อนอยู่ในเบ็ดนะมันล่อให้เราให้เรามางับเราหลงกลก็เราก็เหมือนเป็นปลาที่ไปงับเหยื่อนะมันมีเบ็ดที่ซ่อนอยู่นั้นคือมันลากเราไปให้เราติดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไร่ที่เรามีสติมันก็จะทําให้เราบุดออกจากความคิด ขนาดหนึ่งอืาจจะคิดอีกเราก็เหมืนเราก็เห็นเบ็ดมันม า, มาล่อละสติมาทำหน้าที่รู้ทันว่าอันนี้ยมันมาล่อถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะเป็นงบับถ้าเรารู้ทันมันก็แค่เห็นว่ามันมีมีเหยื่อมาจะมาล่อเรา แ, แค่นั้นเองนะถ้าเราเห็นความคิดเฉยเฉยอะ่ะมันก็จะเหมือนเหยื่อที่มาลอกก็ก็ไปเรื่องของเหยื่อ ปลาก็ว่ายอยู่ในน้าําถ้าปลาเปรียบเหมือนกับจิตเนะาะก็หนนะแต่ถ้าเมื่อได้ซึ่งหลงแล้วก็เป็นรับมันคับเวลายกมือเนี่ยรู้ที่การเคลื่อนไหวหรือรู้การตึงหย่อนของแขนหรือว่ารู้รวมรวรู้รวมรวมแล้วก็รู้รวมรวมมันอาจจะชัดที่ที่ตรงไหนบางทีมันจะไม่เหมือนกันเนาะ อาจจะชัดที่การการตึงหรือว่าการกระทบหรือการไหวอะไรก็ก็ตรงไหนก็ได้แต่เราเพียงแค่เรารู้สึกว่าร่างกายเขานั่งอยู่มีแต่มันอาจจะชัดที่การเคลื่อนไหวส่วนบนที่มือแบบนี้เนาะเพียงแค่เวลาเรายกมือนะเพียงแค่เหมือนเราเดินเลยเพียงแค่รู้สึกถึงแล้ร่างกายที่เขาเขาเขาเคลื่อนไหวมีร่างกายที่เคลื่อนไหว มีจิตใจที่รู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่แค่นี้เอะแล้วก็เมื่อเกิดความคิดแทรกเข้ามาเราก็เห็นมันจะแยกเป็นสามส่วนนี้ตลอดกายอันหนึ่งตัวรู้อันนึงที่ลงไปคิดอันหนึ่งมันก็จะแต่ตัวคิดกับตัวรู้บางทีมันเกิดสลับนะแต่กายมันมีตลอดเวลากายมีตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะรู้กายตลอดเวลา เวลาที่เราไปอยู่กับความคิดเราก็จะดื่มกายเ <c oughs> วลาไปอยู่กับความคิดมันก็จะดื่มกายหรือรู้ก็รู้แบบผิวๆเพลินๆไม่ไม่ไม่ชัดฝึกที่จริงวิปัสสนานะคือการฝึกแยกพอเราเกิดสภาวะที่สติเขาเห็นสังเกตเห็นอาการที่มันแยกกันอยู่ของของกายของใจหรือว่าของใจ หรือจิตเดิมแท้กับอาการของจิตคือความคิดหรือกิเลสต่างๆเนี่ยมันคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยพอแยกแบบนี้ได้มันเหมือนมันเหมือนแยกแยกกันอยู่ฮะแต่มันก็เกี่ยวข้องกันนะแต่มันถึงว่ามันแยกกันอยู่แล้วก็เห็นว่าเมื่อไรที่เราหลงนั่นแหละเราหลงไปไปยึดกายเป็นเราไม่ว่าจะเป็นยึดกายก็เป็นเราเช่น กายของเรากําลังเดินบางคนบอกว่ามีเจริญสติแต่ชั้นเดินชั้นเดินเราเดินเห็นเห็นกายเป็นเราอะ่ะมันก็ยังไม่ใช่การมีสติจริงเพราะสติคือสภาวะที่จิตเขาเป็นผู้เห็นร่างกายนะไม่ใช่ร่างกายของเราที่กําลังเดินนะแต่คือสติเห็นร่างกายที่กําลังเดินสติเห็นจิตที่มันเมื่อกี้มันคิด เมื่อกีมันโกรธนะมันเห็นว่าเมื่อกี้อ่ะมันคิดหรือเห็นว่ามันอยากมันอยากรู้ที่เห็นถึงความอยากนะมันอยากจะรู้นะะหรือว่ามันอยากให้ความสุขนี้มันอยู่นะอะไรนะมันมันจะเห็นกิเลสบ้างหรือเห็นการปรุงแต่งที่เราเรียกว่าความคิดบ้างหรือเห็นความอยากนะที่เราเรียกว่าตัณหาเนี่ย มันก็จะเห็นอะไรก็ได้นะแต่มันก็รู้สึกว่าไอ้พวกไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยมันมันคือสภาวะที่ไม่ใช่จิตที่ปกติจริงๆก่อนที่มันจะอยากมันไม่อยากหมายถึงว่ามันเฉยๆมันปกติก่อนที่มันจะโกรธมันก็คือจิตปกติก่อนที่มันจะคิดมันก็คือสภาวะที่จิตมันไม่คิดมันปกติเราจะเห็นมันนะ หรือบางทีเราดูเป็นคู่ก็ได้อยองนะปกติกับไม่ปกติตัวนี้นะคือจิตปกติที่มันเฉยแต่ไม่ใช่พยายามให้มันซึมซเฉยนะเฉยแบบรู้ตัวนะไม่ใช่เฉยแบบซึมนะเฉยแบบตื่นตัวน ะ, ะคือเฉยในที่นี้คือมีสตินะสติพูดอีกอย่างคือการตื่นตัวจิตมันตื่นนะจิตมันตื่น ตื่นตื่นแบบปกติตื่นแบบปกติแล้วก็มันไม่ปกติไม่ปกติบางทีก็อาจจะตื่นเต้นก็ไม่ปกตินะตื่นเต้นก็ไม่ปกตินะตื่นกลัวก็ไม่ปกติอะไรอย่างง้คือมันจะเห็นว่าปกติกับไม่ปกติดูนั่นก็ได้นะดูไปไม่ต้องดูอะไรมากมันจะเห็นสภาวะที่ปกติกับไม่ปกติ หรือบางทีมันไม่เห็นเป็นเรียกว่าอะไรแต่แค่รู้สึกว่านะตอนนี้มันปกติแต่ใจมันไหวไปไหวเพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปหาสาเหตุมันหรอกแค่รู้สึกว่าใจไม่ปกติมันไหวไหวยังไงก็ไม่รู้ไหววิวๆหรือซึมๆแข็งๆอะไรนะคือมันไม่ปกติละอาทีมันจะเห็นเป็นอาการประมาณนั้น รู้สึกจิตมันแข็งๆนิดๆแต่นะรู้สึกได้รู้สึกถึงจิตที่มันเหมือนซึมๆนหน่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ไม่ปกติพอเราแค่รู้เฉยๆนะจิตมันตัวนีนมันจะตื่นออกมาจากสภาพที่ซึมหรือว่าหรือว่าไหวไปเนี่ยคือการจเจริญสติแ้ะมันจะเกิดปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้ละมันจะไป ไปทอนความเห็นผิดนะอ่าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะหรือว่าบางทีเราก็จะเรียกการรู้ไม่จริงนะคืออวิชชามันจะไปแก้ที่ตรงนั้นแก้ทําให้เกิดการรู้ที่ถูกหรือการเห็นที่ถูกต้องนะนะมันจะเห็นอ่าเห็นทุกเห็นทุกหลายคนปฏิบัติแล้ว บางทีปฏิบัติก็มันทุกมากกว่าไม่ปฏิบัตินะ่จริงมันไม่ใช่ว่าทุกมากกว่าโดยเพราะว่าปฏิบัติแล้วมันทุกมากกว่าหรอกแต่มันเข้าไปเห็นความทุกเอเข้าไปเห็นความทุกมากขึ้นเนาะอเอ า, ายิ่งง่ายนะคล้ายๆพอเราฉลาดมากขึ้นนะอันนี้แบบทางโลกนะทางโลกพอเราฉลาดมากขึ้นเนะ่ะ เราก็จะเห็นคนคล้ายๆเห็นคนที่เขาเขาทําำวิถูกอะไรเนะี่ยคือยิ่งเราฉลาดมากเลยนะยิ่งเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยได้เยอะนะคือมันแบบเอาแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามีความชํานาเรามีความเก่งด้านไหนพอเห็นคนอื่นก็ทําแบบนี้บ้างพอเราชํานาตรงเนี้ยเราจะเห็นความพลาดความไม่ดีถึงความพ่องของเขาเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันนะพอเราฉลาดในมีสติมากขึ้นมันก็เลยเห็นความลงในตัวเองอะ่ะมากขึ้นนะแต่แต่ก่อนนะัเราก็เราไม่เห็นอแต่พอเรามีสติปัญญามากขึ้นมันก็เลยเห็ น, เ ห, นเห็นทุกได้เห็นทุกมากขึ้นแต่ถ้แกล้มันก็อาจจะเหมือนช่วงสภาวะการทําใจปรับใจนะ ระหว่างว่าพอมันทุกข์มากมันก็บางทีมันก็เหนื่อยหรือบางทีมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันจะต้องเห็นแบบเนี้ยไปอีกสักเท่าไหร่มันก็อาจจะเกิดความท้อเกิดความอยากจะถอยนะเออมันเป็นสภาวะก็เป็นธรรมดาก็ก็เคยเกิดกับตัวเองมาเหมือนกันแล้วก็ แต่ก็บางทีอาศัยการพิจารณาโทษของของวัตถาสงสารนะถ้าโดยของแตมาคือบางทีเราอาศัยการพิจารณาเข้ามาช่วยคือเหมือนคือพิจารณาแบบมดษนะชาตินี้เราก็ยังทุกข์ขนาดนี้นะแบบทั้งทั้งที่ก็ร่างกายก็ยังโอเคระดับหนึ่งแบเ น, นี้ยแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับสิ่งแวดล้อมมันก็ยังทําให้เราทุกข์ขนาดนี้ พิจารณาไปเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ําเล่ามันก็ต้องเจอแบบเนี้ไหนชาตินี้มาพบพิธีปฏิบัติแล้วก็ทําต่อแม้มันจะแม้มันจะเห็นทุกข์นะแต่มันก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นวิธีนี่แหละการเห็นทุกข์นี่แะมันยิ่งทําให้เราอบางทีมันเหมือนน้ำยอกอน้ำบ่มอะทุกข์เท่าไหร่ก็ดูมันดูมันดูมันไปเรื่อยจนทั่งมันรู้สึกว่ามันเหมือน อยู่กับทุกข์ได้นะไม่ใช่มันทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แปลว่าความทุกข์มันไม่มีความทุกข์มันน้อยลงนะคําว่าทุกข์น้อยลงจริงจริงมันไม่ใช่แปลว่าทุกข์น้อยไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกับคล้ายๆปัญหามันน้อยลงนะความทุกข์มันก็ยังมีทุกๆวันเหมือนเหนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่เราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์อ่ะมันน้อยลงใช่ไหมมัน คล้ายๆเหมือนกับร่างกายของเราสมมติมันหนักเท่าเดิมมันแหละหนักๆเท่าๆเดิมแต่บางวันมันรู้สึกหนักหนักตัวรู้สึกไม่มีแรงอ่ะทั้งๆที่ร่างกายก็เท่ากันอ่ะแต่วันไหนที่เราตื่นตัวดีอ่ะมันกระปี้กระเป๋ามันเบามันสบายอ่ะในน้ำหนักที่นั่หนักตัวที่เท่ากันในสภาวะที่ความทุกข์ที่มันอยู่กับชีวิตมันก็เท่าๆเดิมอ่ะแต่ความรู้สึกที่มันเป็นแบกไปยึดมันมันทําให้มันเกิดความหนัก แต่ความรู้สึกที่ว่าพอมันรู้ทันแล้วก็วางใจได้มันก็รู้สึกว่ามันเบาลงอันนี้คําว่าทุกน้อยดงไม่ใช่แปลว่าความทุกข์มันหายไปแบบแบบกายก็ยังทุกนจิตก็ยังทุกแต่ความไปยึดทุกน่ะแหละมันน้อยลงมันก็เลยรู้สึกว่าเราเรียกว่าทุกน้อยดงคือตรงนั้นมันก็อยู่กับทุกแบบนั้นได้เรื่อยๆจน มันต้องเป็นทางเนี้มนจิตมันถึงจะเบื่อหน่ายนะเพราะไม่งั้นจิตมันการที่จิตจะเบื่อหน่ายในรูปในนามเนี่ยมันคือมันเห็นทุกข์เห็นโทษของของรูปของนาม อ, ะอ่ะคือเห็นคล้ายๆว่ามันเห็นจนเห็นมากๆจนรู้สึกว่าเออดีแล้วที่มันคล้าย มันทุกแบบเนี้ยมันมันทำให้เราได้เกิดความเบื่อหน่ายนะพอมันเบื่อหน่ายมันก็คลายกําหนัดคือกายความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆนะเพราะว่าพอมันไปยึดมันก็เป็นทุกข์นะพอมันก็คลายคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายอะไรต่างๆออกไปจากจิตใจได้มากขึ้นมันเบาบางลงเพราะว่ามันคลายความยึดมั่นถือมั่นนะมันเบื่อหน่ายถ่งต่างๆ แต่ไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบเบื่อที่อยากจะหนีโรกนะเบื่อแบบอยากจะหนีนะั่นก็อีกอันหนึ่งนะเบื่ออยากจะหนีคือมันไม่อยากไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่กับทุกข์แบบนี้มันอยากจะหนีไปอยู่ที่อื่นที่คิดว่ามันจะสุขมากกว่านี้หรือทุกข์น้อยกว่า น, นี้นะอันนั้นเบื่อแบบหนีอีกแบบหนึง่งแต่เบื่อหน่ายเนี่ยเห็นเห็นโทษเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นใน ในทุกในโทษในการไปถือตรงนั้นแหละมันก็เลยเบาลงน่คือตัวปัญญาซึ่งมันจะทำให้เราคลายอุปท า, านต่างๆอาจารย์คาารที่เรารู้นี่คือรู้ตัวนีมันไม่ใช่มนจากจิตใช่ไหเขาจิตนี่แหละจิตที่มันรู้ ต้องมาคอยรู้สึกตัวรู้สึกคุณอารมณ์ความคิดะก็รู้กายบ้างรู้ใจบ้างอืมรู้ตัวก็เป็นจิตที่เขารู้เนาะอืมกายเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าจิตมันไม่มันไ ม, ม, นไม่ไม่มารับรู้มันก็ไม่เกิดความรู้ตัวเช่นจิตเราไปที่อื่นมันก็ไม่รู้ตัวเนาะแต่พอเช่นเรามาปฏิบัติในรูปแบบเราเรียกว่าเรารู้สึก ในการเดินรู้สึกในการยกมือรู้สึกในการหายใจรู้นะไม่ใช่เข้าไปอยู่นะสาคัญนะคืออยากไม่ได้เป็นการเข้าไปอยู่ทำด้วยความสบายๆด้วยความผ่อนคลายแล้วก็แค่รู้สึกรู้สึกห่ายว่าบางทีเปรียบคล้ายคล้ายเหมือนเราไปอยู่ริมทะเลเราเรารับรู้ถึงลมที่มันพัดอะ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจเราเพียงแค่ รู้สึกอยู่ในตรงนั้นอมไม่ใช่แปลว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในตัวของเรานะเพียงแค่รู้สึกเมื่อมันกระทบเมื่อมันเคลื่อนไหวพอเรารู้สึกได้ใจที่เปิดแบบนี้นมันจะสบายผ่อนคลายแต่มีความรู้ตัวด้วยฉั้นเวลาปฏิบัติสิ่งที่ต้องระวังสําหรับถ้าคนที่อาจจะทําอีเดียบทที่มันเบาๆหน่อยพอมันสงบ พอมันอะไรบางทีมันอาจจะอยากเข้าไปอยู่ในในตรงนั้นนะต้องต้องมีตัวรู้ไว้นะเช่นเช่นว่าถ้าเราดูลมหายใจนะเวลาจิตมันสงบมันเบาอยากเข้าไปอยู่ในความเบาแต่ให้รู้ว่าจิตมันเบารู้ว่าลมหายใจมันเบานะรู้สึกอยู่ตรงนั้นให้มีตัวรู้อยู่แม้แม้ล ม, มหายใจจะไม่มีแต่ให้มีตัวรู้อยู่ เห็นร่างกายเขาเขากระดังนั่งเยอะแม้ไม่รู้สึกถึงลมหายใจก็ยังรู้สึกถึงร่างกายที่เขาอยู่อยู่อย่าให้ใจิตอย่าให้จิตมันหายเพราะไม่นนั้นมันจะไม่รู้จะรู้อะไรอย่างน้อยเราก็รู้กายหรือถ้าจิตตอนนั้นมันไม่สนใจกายแต่มันไปดู้รู้นมามธรรมบางอย่างก็ได้เช่นรู้ว่าตอนะก้กำลังมีปิติก็ปิติเป็นตัวรู้สติเป็นผู้ดู รู้ว่าตอนนี้นมันมีความสุขความสบายก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสุขความสบายแต่มีสติรู้ว่ากำลังสุขกาลังสบายอยู่มันก็จะมีตัวรู้อยู่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในตัวนั้นเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะมันจะเหมือนทำให้เราเหมือนมันจะไม่อยากรู้ <c oughs> มันเป็นความขี้เกียจอย่างหนึ่งขี้เกียจที่จะดูมันรู้สึกอยากจะปล่อยจิตไปตามอารมณ์แบบนั้น นั้นตัวดูเป็นสิ่งที่สำคัญที่ที่เห็นทั้งกายแล้วก็เห็นทั้งใจนะเป็นไรก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะมันเอาสติตัวนี้แหละตัวเอาสติรู้ตัวนะไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดสภาวะอะไรก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อย ให้มีสติเป็นผู้ดูเรื่อยๆทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่ให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะเท่าที่มันเท่าที่มันจะรู้ได้แต่เพียงแล้วฝึกบ่อยๆแล้วพอฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเป็นอัตโนมัติมันจะง่ายที่จะรู้ เหมือนแรกๆเราอาจจะต้องตั้งใจกลับมาดูตั้งใจกำหนดอะไรแบบนี้บ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆมันความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดได้เป็นอัตโนมัติของมันขยับขยื่อนขยิบตาพยักหน้าอะไรนะมันก็จะรู้สึกแม้แต่พูดจานะพูดจามันก็อาจจะมันไม่ใช่อยู่กับความคิดหรือคำพูดทั้งหมดแต่มันยังรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งหรือรู้สึกถึงอดมขณะที่พูดมันก็รู้ได้นะมันไม่ใช่ว่า มันก็จะสับคิดจิตมันธรรมชาติมันมหัศจรรย์มากที่มันสับเร็วมากปรุงในการคิดอย่างตอนนี้ปรุงในการคิดก็ต้องปรุงนะแต่มันก็ยังมันก็ยังมีจิตที่มันกลับมาดูตัวได้อะมันสับกนไปเร็วมากนะไม่ใช่แปลว่าตอนนี้คิดก็คิดไปทั้งหมดดืมเนื้อดืมตัว <c ười> คิดก็คิดได้แต่ก็ยังเห็น ความรู้สึกที่มันถ้ามันผิด ป, ปกติเนาะผิด ป, ปกติเกิดอามณ์อะไรขึ้นมาเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาที่มันผิด ป, ปกติเราก็เห็นเห็นตรงนี้ไปแต่ก็อาจจะอาจจ ะ, จจะเตือนถ้าบางคนที่ไม่ชำนาญมาอาจจะบางทีมาอาจจะเก่งเกงกลัวจะไม่รู้มันเนี่ยมันจะทำให้เราเกรงใช่จริงฝอยเป็นธรรมชาติแล้วก็ลงไปค่อยรู้ลงไปค่อยรู้ อย่าไปดักอย่าไปคอยที่จะรู้นะนะก็เดี๋ยวมันจะแบบคิดงานไม่ออกพูนไม่ได้กลัวจะผิดกลัวจะไม่ดีอะไรนะมันจะมันจะเกรงเนะักมันเหมือนเรากลัวว่าจะผิดนะอือย่า ก, กลัวว่าจะผิดเพราะว่าที่จริงมันผิดตั้งแต่กลัวแล้ว ค, คือกลัวมันผิดแล้วอ่มันมันก็ผิดตั้งแต่ตอนนั้นเนาะก็ก็ฝากไวนะ้เนาะอ